เพราะว่านอกสมัยพุท ธ, ธกาลใช่ไหมครับก็สมัยที่พระโพธิสัตว์ท่านคิดเองอ่ะนะคําว่าวิปัสนาเนี่ยแปลว่าอะไรนะวิปัสนาก็คือการเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงอ่ะนะไอาการเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ไม่จําเป็นต้องมีในในในตอนที่มีพระาศาสนานี้เนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่เจริญมรณ า, านุสติเนี่ยนะก็คือการตามเห็นชีวิตโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนั้นก็เรียกว่าเห็นแจ้งเหมือนกัน เห็นแจ้งโดยวิปัสนาแต่การเห็นแจ้งมันก็มีหลายอย่างนะการเห็นแจ้งเพื่อบรร ล, ลุมรรคผลนิพพานกับการเห็นแจ้งเพื่อเอาไปเป็นบาศอย่างอื่นอย่างเช่นบางท่านเนี่ยนะเจริญวิปัสะนาคือการพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเพื่อจะได้ไม่โทสะอย่างผู้ที่บําเพ็ญฌานอย่างสุมเมตดาบทเนี่ยนะ สุเมตดาบดนั้นท่านไปเจริญฌานสมัยที่ไม่มีศาสนาพุทธหรือไม่มีพระพุทธศาสนาก็ได้ทีนี้ก่อนที่ท่านจะได้ฌานหรือท่านได้ฌานนะนะตอนที่ท่านจะทำอภิญญาเนี่ยท่านจะเจริญวิปัสสนาก่อนคือพิจารณาโดยความไม่เที่ยงกับความเป็นทุกข์ท่านเรียกว่าวิปัสสนาแล้วก็ทำวิปัสสนาอันนี้ให้มีกำลังถามว่าเพราะอะไรก็ราะว่า ถ้ากล่าวตามสามัญญผลสูตรก็พูดถึงผู้ที่ละลึกชาติได้หรือผู้ที่มีตาทิพหรือหูทิพเนี่ยนะการมีตาทิพก็จะได้เห็นในสิ่งที่ไม่สิ่งที่น่ากลัวนะก็ให้เกิดโทสะได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเจริญวิปัสนาพิจารณาเอาไว้เป็นอย่างดีเมื่อเห็นจะไม่โทสะจะไม่กลัวนั่นนะหรือแม้กระทั่งมีหูทิพก็เหมือนกันฟังเสียงที่น่ากลัว ถ้าเจริญวิปัสนาเอาไว้ก่อนเนี่ยนะเวลาฟังเสียงที่น่ากลัวก็จะไม่กลัวเพราะฉะนั้นคำว่าวิปัสนาก็คือการเห็นแจ้งโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เนี่ยนะแต่ถ้ามีพระาศาสนาเมื่อไหร่มีพระพุทธศาสนาก็จะแสดงโดยความเป็นอนัตตาด้วยแล้วก็จะแสดงสูงขึ้นไปกว่านั้นคือถ้าเป็นคำสอนที่อยู่นอกาศาสนาจะพูดถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์แต่จะหยุดอยู่แค่นั้น เช่นว่าออสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็ตายอะ่ะเป็นเรื่องธรรมดาด้วยสัตว์ที่เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีก็พูดถึงความไม่เที่ยงความไม่จีรังยั่งยืนเนี่ยเป็นของธรรมดาแต่ว่าพอพูดอย่างนี้จบออพอพูดอย่างนี้เสร็จไม่ได้มุ่งที่จะแสดงอริยสัจอะไรเนี่ยนะไม่ได้ไปลงที่อริยสัจแต่ถ้าเป็นคําสอนจะมีเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดจะพูดถึงวิปัสสนาแล้วก็จะต่อด้วยอริยมรต่อด้วยอริยผล แต่ถ้าเป็นนอกศาสนาก็จะอยู่แค่วิปัสสนาแล้วก็พอพอถึงคำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็พอละเนีย่ยนะเพื่อที่กิเลสไม่เกิดก็ถือว่าประสบความสำเร็จของเขาละเนะนี่ยนะทั้จุดมุ่งหมายแตกต่างกันก็หมายความว่ามีการพิจารณาความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์นก เ, นกเนี่ยแต่ไม่ได้เข้าไปแตะต้องตัวสมุทัยเลยคือการพิจารณา โดยที่ไม่ได้มุ่งเพื่อแทงตลอดอริยสัจเนะนะ KI Chill ี่ยนะเขาไม่ได้ประสงค์ท okay. ี่จะแทงตลอดอริยสัจเขาประสงค์ที่ว่าการพิจารณาเหล่านี้ก่อให้ไม่เกิดบาปอกุศลเนี่ยนะเท่านั้นเองก็เท่ากับรู้ทุกข์สัตริย์อย่างเดียวแต่เลยไปนิดนึงว่าทุกข์สัตรว์นั้นไม่เขาจะไม่สามารถประมวลสิ่งเหล่านี้โดยอริยสัจได้เขาเขาคิดไม่ได้อย่างมากเขารู้แต่เรื่องกรรม นนนะถ้ามีกรรมมกตาเขาจะคิดไปหาถึงกรรมแต่กรรมไปจากไหนอีกเขาจะเลยไปไม่ได้กรรมมาจากอุปาทานอุปาทานมาจากตันหา、ตันหามาจากเวทนาเนี่ยนะเขาจะสาวอย่างนี้เองไม่ได้ผู้ที่สาวอย่างนี้ได้มีอยู่สองท่านคือพระปัจเจกกับโพธิสัตว์กับสัมมาสัมพุทธโพธิสัตว์พวกบุคคลที่เหลือทาไม่ได้แม้แต่เทวดาทั้งหลายก็สาวได้ไปถึงกรรมแต่ก็ถ้าไม่ได้ฟังธรรมมาก่อน จะไม่เลยไปหากิเลสเนี่ยนะเมื่อไม่เลยไปหากิเลสไปหาผัสสะเวทนาไปหาอายตนะทั้งหลายไปหานามรูปไปหามองเป็นกระแสวัฏะก็จะมองไม่ออกเมื่อมองสังสารวัฏไม่ออกหรือที่เรียกว่าปวัะเนี่ยนะเมื่อมองปวัฏะไม่ออกนิวัตะก็มองไม่ออกอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเกณฑ์คือนิโรธอริยสัจหรือมังอริยสัจจึงไม่ใช่ฐานะของบุคคลอื่นเนี่ยนะ แต่ที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยเน้นคําว่าวิปัสนาวิปัสนาเนี่ยแปลว่าเห็นแจ้งโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นเองเนี่ยนะดังนะนั้นการเห็นแจ้งโดยความเป็นของไม่เที่ยงสมัยก่อนคือสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกก็มีบุคคลที่เจริญอย่างนี้อยู่เนี่ยนะนะและก็กุศลกรรมเหล่านี้ก็นําเกิดอยู่เนี่ยนะผู้ที่พิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงอ่ะนะอันนี้เรียกว่าภาวนาเป็นบุญประเภทภาวนา ภาวนาเหล่านี้นำเกิดอยู่เนี่ยนะที่เรียกว่าสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณอยู่ดีก็ที่กล่าวบอกว่าในสมัยก่อนออที่ศาสนาพุทธเกิดนั้นเนี่ยมีแต่อธิมีแต่ปัญญาแต่ไม่มีอธิปัญญาเจริญอรคือไม่มีปัญญาที่ที่เป็นอุปนิสัยรองรับโลกุตระในชั้นสูงในชาตินั้นนะ น, นะ คือไม่มีปัญญาที่เป็นฐานของ อ, อ, อ, อริยมัติเนี่ยแล้วก็เขาไม่ได้เจริญสิ่งเหล่านี้เป็นอาชีพว่างั้นด้วยเนี่ยเขาเจริญชั่วครั้งชั่วคราวแต่ถ้ามีพระาศาสนาขึ้นจะพิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นอาชีพใช้คำว่าอาชีพเลยเพราะว่าทามากเว้นแต่หลับเนี่ยนะอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยนะการพิจารณาอุปาทานขันห้าของท่านเหล่านั้นเว้นแต่หลับจริงๆเนี่ยนะ เขตื่นขึ้นมาท่านก็พิจารณาต่อเนี่ยนะก็เจริญอย่างเงี้ยจนกว่าจะหลับอีกครั้งหนึงหลับแล้วตื่นขึ้นมาก็พิจารณาอย่างเงี้ต่อเนี่ยนะอ่านะหลับก็หลับน้อยลงเนี่ยนะเพื่อจะได้มาใไข้ครวนเรื่องนี้มากขึ้นอ่านะผู้ที่เจริญอย่างนี้จริงๆหลับไม่มากเนี่ยนะจะหลับไม่มากจะใไข้ครวนมากอ่านะแต่ว่าจะใไข้ครวนโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็จะต่อด้วยอนัตตาแต่คําว่าอนัตตาเนี่ยนะเราก็ต้องทําความเข้าใจว่า สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแหละเป็นทุกสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกสิ่งนั้นแหละคืออนัตตาเพราะอะไรเพราะว่าในนั้นไม่มีอัตตาสาระไม่มีนิจจาาระไม่มีสุขศ า, าระแต่ความจริงมันเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่ใช่ใครแล้วก็ไม่ใช่ของใครแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากปัจจัยทั้งหลายเนี่ยนะแต่สิ่งใดก็ตามที่เกิดจากปัจจัยสิ่งนั้นก็คติของเขาก็คือมีความ ไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเนี่ยนะแต่ทีนี้ถามว่ารู้แค่นี้พอไหมพอหรือยังเนี่ยนะไม่พอจนกว่าจะรู้แทงตลอดเหล่านี้รู้รู้สิ่งเหล่านี้นะจนกว่าจะละกิเลสได้เนี่ยนะคือการรู้ตามคำสอนเป็นการพิจารณาเพื่อจะละกิเลสอย่างเช่นการเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงจุดมุ่งหมายเพื่อละมรนะการพิจารณาโดยความเป็นทุกข์ เพื่อละตันหาการพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาเพื่อละทิฐิเพราะฉะนั้นปะปันจะทำกิเลสเป็นเครื่องเนื่นช้าในในอุปาทานขันห้าเนี่ยนะมันก็เกิดโดยอาศัยขันห้าแต่ผู้ที่พิจารณาขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็สามารถที่จะละคลายเอ่อโดยที่มีอัธยาศัยว่าสิ่งที่สงบประงับจากขันห้าเป็นสุข เขามีอทายาสายอย่างนี้ก่อนอยู่แล้วว่าความสงบประงับจากขันห้าเป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยนะการที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยเป็นความสุขอย่างแท้จริงท่านมีอัธยาศัยอันนี้ก่อนอยู่แล้วเนี่ยนะคือมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ก่อนหน้านี้ดีอยู่แล้วโดยโดยสุตะอนะถ้าเป็นสาวกทั้งหลายก็โดยสุตตะแต่ถ้าเป็นพระปเจกับพุ้เทเจ้าหรือพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ท่านมีมีอัธยาศัยในสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเพราะเพราะไรสังเกตดูนะที่พระโ พ, พ, พธิสัตว์เนี่ยนะเจ้าชายสิทธะเจริญวิปัสนาหรือว่าพระวิปัสสีสิขีเวสภูกะกุสันโทโกนาคมโนกะส ป, ปะทั้งหลายท่านจะพิจารณาว่าโลกนี้ลำบากหนาเนี่ยนะเป็นไปกับความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตาย ถึงกันนั้นก็ไม่รู้ธรรมะที่ทําให้พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายเหล่านี้เลยเนี่ยนะก็ยังจมอยู่กับสิ่งเหล่านี้ตลอดอ น, นะท่ท่านก็ใคร่ครวญต่อไปว่าเอ๊ะสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไร น, นะท่านก็สาวไปอย่างนี้เรื่อยๆนะสาวจนเห็นกระแสะของสังสารวัตจนเห็นกระแสะของวัตตะเมื่อเห็นกระแสของวัตตะแล้วก็ว่าเอ๊ะความเป็นไปของวัตตะเป็นอย่างนี้นะถ้าจะละละอะไรก่อนเนี่ยนะถ้าอะไรดับอะไรดับ ถ้าอะไรเกิดอะไรเกิดนี่ยนะท่านก็เลยสามารถแทงตลอดทั้งสัจจะทั้งสี่ประการเนี่ยนะทั้งทุกทุกก็คือวตตะนั่นเองทุกขสมุทัยก็คือเหตุของสังสารวัฏหรือเหตุของวัตะทีนี้ท่านก็บอกว่าไอธรรมะที่สงบระงับจากสิ่งเหล่านี้มีอยู่แต่ถ้าจะสงบจากสิ่งเหล่านี้นะทำเหล่าได้เกิดแต่เหตุถ้าจะดับต้องดับที่เหตุถ้าเหตุอันนี้ดับอันนี้ดับเนี่ยนะท่านก็ใคร่ครวญแล้วก็แทงตลอดอริยสัจซึ่ง การพิจารณาที่เป็นไปเพื่อตรัสรู้ธรรมะที่เป็นพ้นทุกเนี่ยนะไม่ใช่บอกว่าเออทุกอย่างอ น, นิจจังทุกขังอนัตตก็พอเลยอันนี้ไม่ใช่ไม่พอแน่นอนเห็นไหมอย่างในยุคนี้โดยทั่วๆไปโดยมากนั้นก็แหมพอถ้าเข้าถึงอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ก็ถือว่าโหสูงมากเลยน ะ, ะไม่ไม่ธรรมดาละแต่ที่จะเลยไปกว่านั้นแล้วเลยไปยังไงอะไรต่อไปนี้อันนี้เรียกว่าถึงทางตันอีก อีกระดับหนึ่งนะที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าศึกษาธรรมคุณเนี่ยน้อยไปหรือศึกษาพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยน้อยความเข้าใจในคุณของพระรัตนตรายน้อยเพราะฉะนั้นถ้าใครมามองชีวิตเออเนี่ยนะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแหมคนนั้นนี่ถือว่าเป็นที่ยอมรับแล้วนะว่าพลังจิตแก่กล้า ร, ระดับหนึ่งลนะอะไรไปเรื่อยเลยคนนี้ ข้านิวรนะมาดูในธรร ม, มานุปัสสนานะใครอยากจะอ่านภาษาบาลีก็อ่านหน้าหนึ่งเลยใครอยากดูภาษาไทยก็หน้าหกนะเเป็นภาษาไทยนะครั้งที่ผ่านๆมาเนี่ยนะก็กล่าวถึงกายเวทนาจิตและธรรมะนะซึ่งอยากจะขอย้อนไปที่ต้นเข้าเดิมของสติปัฏฐาน ที่เริ่มเรียนกันอีกครั้งหนึ่งนี่พระผู้มีพระภาคตรัสถึงข้อความตอนแรกๆเนี่ยนะก็กล่าวยกย่องอานิสงส์ของสติปัฏฐานก่อนว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกเนีนะเพื่อความหมดจดของศาตร์ทั้งหลายคือบริสุทธิ์จากกิเลสตัณหาอาสวะนั่นแหละเพื่อก้าวล่วงโสกะปริเทวะเนนะเพื่ออัสดงคือดับไปแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุญายธรรมคืออริยมรรคเพื่อแทงตลอดพระนิพพานเนี่ยนะเพื่อรู้แจ้งพระนิพพานทางนี้ก็คือสติปัฏฐานสสติปัฏฐานสี่เป็นไงนที่สูในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนับในโลกพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชาและโทมานต์ในโลกพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมานต์ในโลกสามอย่างเนี่ยนะคือการพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตเท่าที่กล่าวผ่านมาก็นับว่าพิสดารมากเนี่ยนะทีนี้ต่อไปก็จะกล่าวถึงการพิจารณาธรรมะที่พุทธพจนตรัสว่า พิจารณาเห็นธรรมะในธรรมะอยู่มีความเพียญมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกนะนคำว่าธรรมะตรงนั้นสังเกตตามพยัญชนะในดีกาเงี้ยนะธรรมะเนี่ยนะหรือธรรมานุปัสสนาเนี่ยถ้าว่าโดยบับพทะมีกี่บับพทะมีห้าบับพทะนะห้าบับพทะหนึ่งนิวรบับพทะนะ่ยนะ ข้อสองขันธบพะสอายตนะบพะสี 4, ่โพชงบัพะหอริยสัจบัพะบัพะแรกคือนิวนบัพะเนี่ยนะกล่าวถึงปหาตัปรธรรมธรรมะตัวนั้นเนี่ยแปลว่าปหาตัปรธรรมนิวนบัพะ น, นะส่วนขันธบัพะอายตนะบพะเป็นปริญยยธรรม เป็นปริญ ญ, ญาธรรมส่วนพ่ชงบัพะเป็นพาเวตาธรรมส่วนอริยศาส์นั้นได้ทั้งสี่เลยคือทั้งปริญญาเนี่ยนะทั้งประหาตภะศัจจิกาตพระและก็พาเวตพระพูดถึงธรรมานุปัสสนาเนี่ยนะเน้นคาว่าธรรมะก่อนอ น, นะ ธรรมะตัวนี้เนี่ยนะให้เน้นไปที่สี่คำคือหนึ่งปริญญาธรรมเนี่ยนะปริญ ญ, ญาแปลว่าควรรอบรู้เนี่ยนะควรรู้ยิ่งเออควรควรรู้รอบควรรอบรู้ะนะข้อแรกข้อสองอะไรปรหาตับพระอันนี้ควรละนะธรรมะที่ควรละ สามสัจฉิกาตพะเนี่ยนะอันนี้ควรทำให้แจ้งเนี่ยนะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อสี่เนี่ยนะพาเวตภะอันนี้อันนี้ควรเจริญปริญญยะเนี่ยนะ กายเวทนาจิตกายเวทนาจิตเนี่ยตรงตรงเลยเป็นปริญญาญเนี่ยนะที่ผ่านมานะกายานุปัสนาคือกายอย่างหนึง่งเวทนาอย่างหนึง่งจิตอย่างหนึง่ง3ประการนี้ตรงๆ ง, งและเป็นปริญญาธรรมเป็นธรรมที่เข้าไปจําแนกแยกแยะไข้ครวญพิจารณาเนี่ยนะหรือที่เรียกว่าเข้าไปวิจัยให้รอบเลย ส่วนในธรรมานุปัสสนาเนี่ยนะกล่าวถึงธรรมะทั้ง4ี่ประการนี้เลยทั้งปริญญาธรรมปหาตประธรรมสัจกาตประธรรมและพาเวตประธรรมนั่นแหละปริญญาธรรมคือควรรอบรู้ปหาตประธรรมควรละสัจจการตปธรรมควรทำให้แจ้งพาเวตประธรรมควรเจริญบพ่าแรกในธรรมานุปัสสนาเนี่ยนะขึ้นต้นด้วยนิวร นวรบัพทะนั้นเป็นปหาตปรธรรมเนี่ยนะเป็นปหาตประธรรมส่วนบัพทะที่สองที่สาคือขันธบัพทะอายตนะบัพทะเป็นปริญญาธรรมเนี่ยนะเป็นปริญญาธรรมส่วนพ่ชงบัพทะพ่พชงบัพทะนั้นเป็น พาเวตปรธ ร, รมนีนะพ่อชงบับพะเป็นภาเวตาปรธรรมส่วนอริยสัจบับพเพ็เนี่ยนะทุกขอริยสัจเป็นปริญยยธรรมสมุทัยอริยสัจเป็นปหาตาปรธรรมนิโรธอริยสัจหรือนิพานเป็นสัจชิกาตาปรธรรมอย่างที่สี่คือมัจ เนี่ยนะมัคคะอริยสัพน์นั้นเป็นภาเวตปาธรรมเพราะฉะนั้นคําว่าธรรมะที่นี้สังเกตดูแล้วก็คือเป็นไปกับปรินญาญาธมปหาตปาธม์สะจิกาตปาธมและก็ภาเวตปาธมซึ่งเราจะเริ่มมองภาพคําสอนเนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นะนะเพราะคําสอนนั้นไม่ใช่เน้นไปที่แยกแย ะ, ะกายเวทนาจิตแยกแยะอยู่เท่านั้นแหละแล้วก็ไม่รู้อะไรอีกเลยไม่ใช่อย่างนั้นหรอก จะต้องมีการละสิ่งที่ควรละด้วยมีการทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งด้วยมีการเจริญสิ่งที่ควรเจริญด้วยทีนี้ในนิวรณ์บัพพะเนี่ยนะที่จะกล่าวเป็นบพับพพะบัพพะแรกคือนิวรณ์บัพพะนิวรณ์นั้นเป็นธรรมะที่ควรละที่ควรละเมื่อกล่าวถึงสิ่งที่ควรละเนี่ยนะที่เรียกว่าปหาตปรธรรม การกล่าวถึงนิวรณ์เท่ากับกล่าวหมวดห้านนิวรณ์ทั้งหมดมีห้าถ้าเรียงโดยตัวเลขกันนะก่อนที่จะมาเป็นห้าก็ต้องมีอะไรมาก่อนมีสี่ใช่ไหมมีสามมีสองแล้วก็มีหนึ่งนถ้าไล่ลงไปอีกก็จะได้หกเจ็ดแปดเก้าสิบนะ ก็มาจำแนกดูว่าไอสิ่งที่ควรละหนึ่งคืออะไรสิ่งที่ควรละสองคืออะไรสิ่งที่ควรละสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคืออะไรในที่นี้ได้ยินกันมาทุกคนแล้วนะผ่านหูกันมาทุกคนแล้วนะข้อแรกธรรมะที่ควรละธรรมะหนึ่งที่ควรละคืออัศมิมาะเนี่ยนะยนะธรรมะหนึ่งที่ควรละคืออัศมิมานะ อย่างที่ธรรมะสองอย่างที่ควรละคืออวิชชากับภวะตันหาธรรมะสามที่ควรละคือตันหาสามมีกามะตันหาภวะตันหาแล้วก็วิภวะตันหานี่ยนะตันหาสามนี่ควรละธรรมะสี่ที่ควรละคือ โอคะ4ธรรมะห้าที่ควรละคือนิวรห้าธรรมะหกที่ควรละคือตันหากายะหกตันหากายะหกแปลว่ากองแห่งตันหาหกคือรูปปัตนหาสัทธาตันหาคันทะตันหาเป็นต้นนะนะคันธะตันหาระสะตันหาโพธะภะตันหาและ ธรรมะตันหาเขาเรียกว่าตันหากายะหกองแห่งตันหา6นะรูปก็เป็นกองเลยนะเสียงก็เป็นกองกลิ่นก็เป็นกองรสก็เป็นกองโพธภาคก็เป็นกองธรรมะก็เป็นเป็นกองเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าธรรมะหที่ควรละธรรมะเจดที่ควรละคืออนุสัยเจเนี่ยนะธรรมะ8ดที่ควรละคือมิชัตตาแด มิชตะแนี้ก็คือความผิด8ประการมีมิจฉาทิฐิเป็นต้นนะก็คือมิจฉามักนั่นเองอ่ะนะมิชตะนะตะตะตัวนี้แปลว่าความมิจฉาแปลว่าผิดนะนะความผิด8ประการตั้งแต่ผิดโดยมิจฉาทิฐินะมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากรรมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเนี่ยนะ ไอเรียกว่ามิชตา8ปดความผิด8ประการหรือมิชามะแป8นั่นเองธรรมะ8นี้ควรละธรรมะ9ควรละก็คือธรรมะ9มีตันหาเป็นมูลคือตันหาเป็นเหตุให้สแสวงหาสแสวงหาเป็นเหตุแห่งการได้เป็นต้นนะเรียกว่าตันหาเป็นมูล9อ น, นตันหามูลเนี่ยนะคือมีตันหาเป็นมูล9อย่าง แล้วก็ธรรมะสิบที่ควรละก็คือมิชะตะสิบอ่านะมิชะตะสิบนี้ก็มิฉามร์แ8ดแล้วนะบวกกับมิฉาญาณนะมิชาวิมุตอันนี้ก็เป็นสิบเรียกว่าธรรมะสิบที่ควรละนั่นนะทวนอีกครั้งหนึ่งนะ ธรรมะหนึ่งที่ควรละคืออัสมิมานะเนี่ยนะธรรมะสองที่ควรละคืออวิชากับภวะตันหาควรละธรรมะสามที่ควรละคือตันหาสามหมายถึงกามะตันหาภวะตันหาและวิภวะตันหาอันนี้ธรรมะสามที่ควรละธรรมะสี่ที่ควรละคือโอฆาสีเนี่ยนะกิเลสที่ท่วมทับสัตว์เนี่ยนะเหมือนห้วงน้ำคือกามะ โอคะเรียกว่ากามโมคะทิดโถคะพโวคะและอวิชโคะเนี่ยนะกิเลสที่เป็นเหมือนห่วงน้ําท่วมทับสประการเนี่ยควรละส่วนธรรมะห้าที่ควรละคือนิวรนเครื่องกลางกั้น5ประการเนี่ยนะธรรมะหกที่ควรละคือตันหากายะหกกายตัวนี้แปลว่ากองเนี่ยนะเป็นที่ประชุมอ่ะนะนั้นตันหากายะหรูปประตันหา สัทธตันหาคันธะตันหารสตันหาโพธะพะตันหาและธรรมะตันหานั้นตันหาทั้ง6กองเนี่ยนะควรละส่วนธรรมะหมวดเจที่ควรละก็คืออนุสัยเจประการานะการมราคานุสัยปฏิคาอนุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอวิชานุสัยภาวะราคานุสัยอะไรอีกนะมานานุสนะัย อนุสัยเราเนี่ยเป็นธรรมะที่ควรละแล้วก็มิชตะความผิดหรือความปฏิบัติผิดหรือทางผิดแปประการมีมิ ช, ช, า, นนนะม ช, ชามิชตะแป8อันนี้ก็เป็นธรรมะ8ดที่ควรละส่วนธรรมะเก้าที่ควรละคือตันหาเป็นมูล9อาศัยตันหาทาให้เกิดการสแสวงหาเมื่อสแสวงหาจึงเกิดการได้ลาบเมื่อเกิดได้ลาบก็วินิจฉัย ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะพอวินิจฉัยก็ตกลงใจพอตกลงใจก็เกิดการเอามาดูแลปก ป, กปักรักษาเนี่ยนะจนถึงขนาดทะเละาะเบาะแวงกันเพราะอาการรักษาวัตถุทั้งหลายที่สแสวงหาเพราะฉะนั้นให้ตัดอันนี้ตั้งกันแรกเลยนะธรรมะ9ที่ควรละคือตัณหาเป็นมูลเกส่วนธรรมะสิที่ควรละก็คือมิจฉาสิมิจฉาทั้ง10ประการเนี่ยนะมิจฉามร์แปและบวกกับ9มิจฉายานะ สิบมิชาวิมุตต์เนี่ยนะอันนี้เรียกว่ากลุ่มปหาตปธรรมแต่ในสติปทานสูตรมหาสติปทานสูตรยกมาพอเป็นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างคือนิวรห้าควรละเนี่ยนะจริงๆแล้วก็นิวรห้าถ้าย่อมาเหลือหนึ่งก็เน้นอัสมิมานะขยายไปก็เป็นสิบอันนะก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่นี่แหละอันนะ คือย่อขยายได้ธรรมะเนี่ยย่อขยายได้นะใครชอบเลขไหนก็ชอบหนึ่งก็ได้นะอัสมิมานะถ้าละอัสมิมานะได้เป็นทาตหันอ่นะเอาอันเดียวเลยก็ได้อันนี้ก็เป็นปหาตปรธรรมนะเป็นธรรมะที่ควรละเนี่ยนะเป็นกลุ่มธรรมะที่ควรละที่นี้ถามว่าปหาตปรธรรมทั้งตั้งแต่ธรรมะหนึ่งจนถึงสิบเหล่านี้เนี่ยนะ ถ้าว่าโดยสภาวะธรรมเขาคืออะไรคือเจตสิกทั้งหลายที่เป็นอกุศลเจตสิกนั่นเองถ้าว่าไปนะสิ่งเหล่านี้คืออกุศลเจตสิกที่นี้ถามว่าอากุศลเจตสิกนี่รู้อะไรมีอะไรเป็นอารมณ์เห็นไอารมณ์ของอกุศลทั้งหมดเหล่านั้นคืออะไรก็คืออุปาทานขันห้า อุปาทานขันห่านั่นแหละเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะละประหาตประธรรมธรรมที่ควรละเหล่านี้จะต้องมาพิจารณาอุปาทานขันห่าจึงจกละอกุศลทั้งหลายเหล่านี้ได้เช่นถามว่าถ้าคนจะมีมานะเนี่ยเอาอะไรมาเป็นเครื่องทำให้มีมานะก็เอาขันห่านั่นแหละใช่เช่นฉันมีรูปดีกว่าคนอื่น ฉันมีความสุขกว่าคนอื่นนะฉันมีความจำดีกว่าคนอื่นฉันฉลาดกว่าคนอื่นเันไฉันคิดดีกว่าคนอื่นเนี่ยนะก็เอาขันห้านั่นแหละมาเป็นเครื่องเครื่องวัดเนี่ยนะเป็นที่อาศัยของกิเลสเนี่ยนะเป็นที่อาศัยของกิเลสเพราะฉะนั้นเวลากิเลสจะเกิดก็เกิดอาศัยขันห้า อวิชาคือการไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัตว์ไม่รู้แจ้งแทงตลอดว่าอุปาทานขันทั้งห้าคือตัวทุกอันนะสมุทัยคือตันหาแต่ก่อนที่เป็นเหตุให้เกิดอุปาทานขันหอันนี้เป็นสมุทยัยความไม่เป็นไปของขันหเป็นนิโรธข้อปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งนิโรธอันนั้นคือ มักการไม่รู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอาวิชชาเนี่ยนะอาวิชชาส่วนความเพลิดเพลินหรือความต้องการรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนั้นเป็นภาวะตันหาเนี่ยนะตั้งจุดหมายเพื่อให้มีรูปนะพรุ่งนี้ป ร, รินนีปีหน้าหรือสิอปีข้างหน้าชาติหน้าขอมีรูปอย่างนั้นนะมีรูปไงดีคุณนุ่ม ตั้งความปรารถนาเพื่อให้มีรูปอย่างนั้นอย่างนั้ น, นนะเช่นอาจจะขอความสุขอย่างนั้นขอเวทนาอย่างนั้นนะขอสัญญาอย่างนั้นขอสังขารอย่างนั้นขอวิญญาณเช่นนั้นเช่นนั้ น, เ, น, น, นเกิดณพบนั้นๆอันนี้เรียกว่าภวะตันหาหรือใครไม่ยินดีในการนัดวันข้างหน้ามัาง่งอนโนะปรแกรมชีวิตนะนะพรุ่งนี้จะทำอันนั้นอันนั้นอันอนั้นเป็นต้นเนี่ยนะไล่ไปเรื่อยพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยตรงเลย เป็นภารกิจของภวะตันหาซะส่วนใหญ่ก็ความต้องการความเพลิดเพลินในอุปาทานขันห้าซึ่งอุปาทานขันห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทีนี้ในขันทั้งห้าเนี่ยนะผู้ที่เข้าไปเพลิดเพลินเนี่ยบางพวกเข้าไปเพลิดเพลินโดยความเป็นวัตถุกรรมเนี่ยนะโดยโดยวัตถุกรรมบางพวกเข้าไปเพลิดเพลินแบบ สัสตตตทิฐิบางพวกเข้าไปเพลิดเพลินแบบอุเฉ ท, ทิฐิคือมีทิฐิเกิดร่วมด้วยเวลาที่เพลิดเพลินอีกครั้งหนึ่งอันนั้นก็เป็นตันหาสามเพราะตันหาสามคือการมะตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาเพลิดเพลินในอะไรก็เพลิดเพลินในอุปาทานขันห้นั่นแหละปราถนาขันห้าต้องการขันห้า ทนี้โอคะทั้งหลายที่ท่วมทับเนี่ยนะกิเลส ท, ที่ท่วมทับกามโมคะก็คือยินดีในรูปประขันวัตถุกามะนะก็คือรูปประขันพระโอคะต้องการอะไรก็ต้องการเนี่ยเวทนาขันเป็นต้นที่โขคะก็คือความเข้าใจผิดในอุปาทานขัน5ส่วนอวิโชคะอวิโชคะเนี่ยนะก็คือการไม่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจในอุปาทานขันหอันนั้นก็เป็นโอคะส